รับช رح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني الل وقولي اللهم فعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا عل وزدنا علما ربنا ظلمنا وفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتينا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله สุรษุดซูมะห้ามโดยแล้วนะครับวันนี้เราจะอ่านตั้งแต่อายะที่สามสิบหกจนถึงสี่สิบยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นสุรษมานะครับเนถึงอายะที่เราอ่านเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเตฮีดและชิริดสองอย่างที่เป็นคู่ตรงกันข้ามเป็นประเด็นหลักในสุรษุดซูมะที่ทอัลลอียตร้อง บรรดามุชริกีนบรรดาผู้ที่ตั้งพักีกับอัลลอ์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงว่ามันเป็นสิ่งที่บาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและเรียกร้องไปสูก่การตาวฮีดการให้เอกภาพตา่ออัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا นะครับ <c oughs> ทีนี้มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวในมุมมองไหน ที่ล l l ตักลนัมสั่นที่เราอาชร์กวัดทาฮิบแทที่เราจะต้้งมอบมหมายตาวฮิของเราในธนาคตไกับ a l h سبحانه และ ل ى เพียงรัตุุมัตนะครับออูุบิลลาฮิมินัลชัย Alih Salallahu bi kafin abdah ويخوفونك بالذين من دونه ลิลลาห์แฟม่าเลห์มินฮัดแُะวเมนยัดดิลลُห์แ Alley ซาลลัลลอฮฺบีอาซิซินลินทิควาบว่าเลอินสาลท์หุ่ a ผัน a ลักัวซ์ซีมาวัตว l a r าร์ดลายาคูลนัมลา <ت ص في> قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله อินเอารัดนิ ه ัลลอฮฺบิดร์ร์ฮัลฮُุนักาลชَ و ْตَ ر َ ا د َ ن ِ ي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ من سكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوفتعلمون ميأتيه عذاب خ ِ ي ويحل عليه عذاب. الحمد لله ما شاء الله บั illah, <c oughs> นทองครับในอายะที่ผ่านมาเมื่อตอนที่ผ่านมาเราได้เรียนการเปรียบเทียบคนที่ชริกกับคนที่มีเตาฮีตใช่ไหมครับว่าคนที่มีชริกเนี่ยเขามีเจ้านายหลายคนชีวิตวุ่นวายขนาดไหน ในขณะที่คนที่มีเตาหี่มีเจ้านายแค่ผู้เดียวสบายใจนะครับมาวันนี้ประเด็นก็คือว่าไอคนที่มีชีริกเนี่ยมันมีเหตุผลของเขาด้วยนะคนเราชีริกเพราะอะไรมนุษย์คนหนึ่งที่ตั้งภาคีไปสแสวงหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเามีเหตุผลอะไรรู้ไหมครับอะ วันสองวันมานี้ถ้าพี่น้องติดตามข่าวมมันจะมีข่าวที่ว่ามี อ, อดีตดาราคนหนึ่งที่ป่วยแล้วก็ไปหาวิธีรักษาไม่รู้ฮะ <c oughs> <c oughs> คือพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ที่ตัวเองกำลังเจอเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดเนี่ยเขากำลังหาที่พึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าสามารถ ให้กับเขาได้สองอย่างเขากลัวแค่สองอย่างคนที่ชีริกงเขากลัวแค่สองอย่างหนึ่งกลัวว่าโชคลากจะหายกลัวว่าสมมติอะเราพูดง่ายๆเอายกตัวอย่างถ้าไม่ติดไอ้นั่นตรงเสานี่เดี๋ยวริสกี้ไม่เข้าบ้านถ้าถ้าไม่ผูกเอเชือกสีนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะไปตกปลาไม่ได้จะไปหาปลาไม่ไม่มาไม่กลัวว่าโชคลากจะหาย ก็เลยต้องหาอะไรมาชิริกอัลัยาดุบิลละเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยกลัวว่าจะไม่มีโชคลากต้องหาสิ่งหนึชิริกห <c oughs> รืออันที่สองกลัวว่าจะเกิดเอเพศภัยถ้าไม่ติดไอ้นั้นตรงนี้เดี๋ยวผีเข้าบ้านเดี๋ยวโน่นนี่ถ้าไม่จัดนั้นเดี๋ยวเกิดเพศภัยก็เลยต้องชิริกวัลัยาุบิลละเพราะฉะนั้น คนที่มีเตาฮ e a บ้างอะคนที่มีเตา h e a เนี่ยอัลตัลลาห์ก็เลยตอบโต้พวกที่เป็นมุชริกีนทั้งหลายเนี่ยว่าทำใม้ชีริกแล้วเนี่ยโชคลาภไม่มาไม่ชีริกแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความเดือดร้อนนู่นนี่นั่นอัลตัลลาห์ก็เลยตอบไปเลยอเลลลัลลอฮฺบิคาฟิน عبد ะอัลลอฮฺพระองค์เดียวเนี่ยไม่พอหรือสําหรับที่จะมาช่วยเหลือบ่าปของพระองค์พอแล้ว อะอัลกิฟาอย่าก่เส้นหมายถึงว่าผู้ที่คอยดูแลผู้ที่คอยปกป้องผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นคนที่ชิริกเขาแสวงหาไม่เคยพอเดี๋ยวไปหาทรงน้ไปหาตรงนี้แล้วมันก็ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้ในขณะที่ผู้ที่มีตาอฮีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะตะอัลละฮ์อล้วกับอัลลอ์อล้ซัลลอฮบิคาฟินอบดะ จริงๆแล้วอายัดนี้เนี่ยนักตัดสินบางส่วนอธิบายว่ากําลังพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลลลละเพราะว่าพวกมุชริกีนี่ขู่ท่านนบีมุฮัมมัดขูว่ามุฮัมมัดถ้าเจ้ายังมาพูดถึงรูปปั้นของเราในทางนี้ดีไม่ร้ายระวังให้ดีนะเดี๋ยวรูปปั้นของเราจะไปเข้าใจไหมแล้วตาลังเลยบอกว่าเฮ้ ร่ำยิอัลลอฮฺยุหะตะละะจับบ้องหมดนะครับเลยัลล right ฺลูบิคาฟินั่ดะแต่นั่นอนว่าอายะนี้ไม่ได้จำเพาะเฉะท่านนบีมุฮัมมัดผู้เดียวใครที่มีอัลลอละตะลา้องหมดใครที่มีอัลลไม่ใช่แค่ท่านนบีบรรดา穆สลิมีทุกคนพวกเราทุกคนยิ่งเราใกล้ชิดอัลลอ์เท่าไรการดูแลลลาอก็จะยิ่งสมบูรณ์มากตอนนั้นละตะลาู อัลก ال ال ิฟายะการดูแลกนกับสภาพของการเป็นอับดินอบูดียะอัลกิฟายะหมายถึงการดูแลข้ออัลลอฮ์การดูแลข้ออัลลอฮ์จะมาได้ยังไงมาจากการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นมอบอบูดียะการเป็นบ่าวของเขาต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอินุลไยิมอัลมาอย่างอินุลไยิมเขเลยบอกว่าอัลกิฟายะ فالكفاية ทั้งหมดแม้ลับอดีตทั้งหมด Allah Taala ดูแลบาวของพระองค์แต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสภาพของเราที่เรามอบให้กับพระองค์ด้วยถ้าเรามอบตัวเองให้กับ Allah Taala อย่างสมบูรณ์ Allah Taala ก็ดูแลเราสมบูรณ์มีหละที่บอกว่า ทำไมเหตุผลอะไรที่เราจะต้องอิมานต่อราะกะลาต้องทำอามัลซอลแลต้องทําอิบะดาห์เพราะการกระทําของเราทั้งหมดนี้มันจะเป็นสาเหตุทําให้อลาะกะลาดูแลเราอย่างอย่างสมบูรณ์อัลกีฟะยะตุดามะฮ์มะอัมาลอบูดียะติดดามการดูแลอย่างสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับอบูดียะการยอมสยบอย่างสมบูรณ์วันนากิสตุมาอันนากิสะถ้าเรา หัดตกบกพร่องอะ่ล ะ, ะละตัแลแล๋ลาดูแลเราไหมก็ดูแลแต่ดูแลก็ไม่เหมือนกับคนที่ทําทุกอย่างอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้รับการดูแลจากละตะั๋ลาอย่างดีเราก็ต้องปรับปรุงมุบุดิยะของเราการเป็นบ่าของเราให้ดีเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยิ่งเข้าหาชีริกมันจะยิ่งถล่มเข้าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเพราะมันอยู่มันหลุดไปจากการดูแลของละตั๋ลา สังเกตไหมเวลาคนที่เริ่มชีวิตสักเรื่องหนึ่งเวลาเริ่มไปหาโต๊ะหมอสักคนหนึ่งมันจะต้องมีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่มาเรื่อยๆเพราะว่ามันหลงไปไกลละว่ตาไม่ดูแลเขาล้วะคนอายาตุบิลละแต่ตราบใดที่เรายิ่งเข้าหาลงวา ว, วตาลายิ่งเข้าหาเราเราจะเห็นทางออกเราจะเห็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจนนี่คือความหมายอายัดนี้เนี่ยมัลชาอัลลอฮ์ น, นักวิชาการเอามาพูดเยอะมาก อเลย์ส ah. ja ัลลัลลอฮุบิคน ب د ะฮ์นี่มันให้ําลังใจกับเรามากนะเขาบอกว่าเรแล้วที่จะดูแลบาบาพราไม่ใช่หรือเราจะไปหาสิ่งอื่นอีกทำไหมต้องยึกยืนในตัวอีปถัมเราต่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตะกลาแล้วมีบางคนอธิบายว่าจริงๆแล้วคาว่าอัลกีเซะอยการดูแลต่อรักตระลาตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าบาวคนนั้นจะไม่โดนทดสอบไม่ใช่นะ อัลกีไฟอะการดูแลของอลัอลกัตลาตรงนี้มันมีทั้งการดูแลแบบภายนอกและดูแลแบบภายในบางทีเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้อลัอลกัตลาดูแลเราเราอยากจะให้พระองค์ดูแลเราเฉพาะภายนอกเข้าใจไหมครับเจ็บป่วยก็อยากจะให้หายป่วยยากจนก็อยากจะให้รวยอันนี้เขาเรียกความรู้สึกเป็นของภายนอกเป็นเรื่องของข้างนอกจอเอฟเป็นเรื่องที่เห็นเผินๆแต่จริงๆแล้วบางที การดูแลของลัตตาอลาที่สำคัญกว่าการดูแลภายนอกก็คือการดูแลภายในการดูแลความรู้สึกของเราเราสังเกตเห็นไหมบรรดานาบีทุกคนโดนทดสอบไหมทดสอบหนักกว่าเรามากแต่ลัตตาอลาดูแลพวกเขายัางไงไม่ว่าจะโดนทดสอบอยังไงยังยืนหยัดอยู่บนศาสนานของเัาลัตตาอลาได้นี่ก็คือการดูแลแบบหนึ่งซึ่งบางทีเรามองไม่เห็น สุดพระนามนี่ถ้าเราดูข่าวช่วงนี้นะเราเห็นเลยว่าี่น้องของเราที่กาลังโดนทําร้ายโดนโจมตีโดนรุกรานอยู่ตอนนี้มเีเขาอยู่ลํา บ, บากกว่าเราเยอะมากเลยแต่ทําไมเขาอยู่ได้มันเกิดมาจากอะไรฮะทําไมเขายื่หย่อนหยันได้ถึงขนาดนั้นถ้าเป็นเราเราจะหยืนหยัดอยู่ได้มไหมสุดพละนามนี่แหละคืออัลกิฟายะอัลบาตินะ ที่ยายามดูแลต่อรักษาลาที่เรามองไม่เห็นลําบากมากแต่ยืนหยัดคําพูดไม่เค ย, ไ ม, เคยไม่เคยเบี่ยงออกไปจากเส้นทางแห่งการเต๋อไอ้ต่อรักษาลาเลยอัลลอฮฺเราเนี่ยแค่โดนนิดหน่อยก็อาโขเลยละต่อรักษาไม่ได้ดูแลหัวใจเพราะว่าเรา <c oughs> ความอิคลาของเราอุลมามะบอกว่าวิธีการที่จะทําให้เราได้รับการดูแ ล, ล, ะละต่อรักษาลาอย่างเข้มข้นก็คือหนึ่งต้องอิคลา ตองเอกคลาสยิ่งเราอกคลาสรัตอตอาไม่เท่าไรรัตตอลาก็จะยิ่งดูแลเราเวลาที่เราเกิดบททดสอบเราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้แต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราไม่มีความอกคลาสเวลาที่บททดสอบมาปุ๊บ ม, มันจะมีความอย่างอื่นมามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะควยเควมันจะออกมันจะเฉไปทางอื่นอ่ะอัลลอฮฺอัลกุรรีดังนั้นอายัดนี้เนี่ยสําคัญมาก ทุกครั้งเวลาที Players, os, ่เราทําอะไรก็ตามเพื่อล l l a h ให้เรานึกอยู่เสมอว่าอ l ล a h จะละดูแลเราอยู่เราไม่ต้องบ่วงเรื่องอื่นในเมื่อเรามีเตา heat ให้กับ Allah จะละเรื่องอื่นที่จะเกิดขึ้นพระองค์รับผิดชอบหมดเหมือนกับท่านนบี m u h ม m m a d sallallahu alaihi wasallam กับบรรดามุชริกมุชริกินขู่ท่านบีว่าจะฆ่าว่าจะทําโน่นทำนี่ขู่ว่าบรรดาพวกไอ โรคเจเวททั้งหลายนี่จะก่อให้เกิดโรคภัยโน่นี่นั่นกับท่านสุาัเบิแต่ละศาลาบอกว่าอะไรซัลลัฮุบิคาฟินะบดะวายุขวิฟูนักบิลลัดีนมินดูนเห์มนี่คือพฤติกรรมของคนที่ชริกขวิฟูนโคโคคนที่มีตาเอ็ดว่าไม่เชื่ออย่าลดลูนะถ้าไม่เชื่อแล้วระวังจะโดนพนกนี้นั่นทาให้เราเกิดความกลัวต่อสิ่งที่พวกเขาชริกซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็น ตรงกันข้ามกันไอคนที่ชีริกนั่นแหละต้องกลัวใครต้องกลัวอัลลอ์เราจะไปกลัวทำไมเรามีอัลลอ์อยู่ไม่ต้องกลัวอะไรส ب ح ا ن อัลลอฮ์อย่าอย่อย่าอะ่าอย่าอน่าอ่าอย่าอย่าอย่อย่าอย่าอย่บอยนาอ่อย่าอ่าอย่าอย่าอย่าัย่าอย่าอย่าย่าอย่ย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอั่าอย่าอยลาอย่าอยาอาอ่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่า่าอย่าลาอยาาอย่าอ่อาอาาาา มีคนจะไปชี้ทานได้ไหมไม่มีแล้วถ้าใครที่มันเท่าๆกันเร า, าลปล่อยให้เขาหลงทางอยู่ในวังวนแห่งการกู้โทษการชีริกเนี่ยตาละตาลา บ, บอกว่าหมดหนทางแล้วเนี่ยเราจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่ยอมกลับมาแล้วยกเว้นว่าเออตัวเขาเองต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วตาละตาลาก็เปิดโอกาสให้เขาได้เปลี่ยนแปลงนะอันนั้นแหละที่เขาจะกลับมาได้เช่นเดียวกันว่ามันย่าดิลล่าฟะมาเลหู ไม่มุมัใครก็ตามที่อัลลอฮฺสั่งให้ฮีดายัดเขาก็จะไม่หลงทางตลอดไปอัลลอฮฺว่าแบนี่แหละที่เราต้องขออยู่ตลอดเวลาอย่าให้หัวใจของเราเผลอไปกับการผู่ของชัยตอนการอ่ชัยตอนมันมีสองแบบไม่ขู่ก็เย้ายวนมีสองแบบนี่แหละแต่มันจะทำให้เราหลงไปกับมันเนี่ย ถ้ามันคู่แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันก็เย้ายวนลอนว่ <c oughs> อลวงอมันแบล็คเมลไปสําเร็จมันก็ใช้วิธีการเอาให้ก่อนสักนิดหนึ่งยอ่ยอย่อก่อนยอ่อหย่อนเชือกไปก่อนอะไรที่ติดกับปุ๊บมันก็ดึงเราขึ้นมาอ้าวซาบิลลาฮ์มันซาลิมแต่ถ้าหากว่าเรามีอิดายักษ์อัลอลอฮฺให้อิดายัก์กับเราเรารักษาดูแลทํานําขอ ล, อละตะอะไรอยู่ตลอดเวลา ชัยตนก็ไม่สามารถจะทำให้เราหลงทางไปได้นะครับไม่ว่าใครจะมาขู่อะไรเราไม่ว่าสมุนของชัยตอนจะมาขู่ยังไงเราหรือบททดสอบในเรื่องความสบายจะมาทดสอบอะไรเราแค่ไหนยั่วยวนแค่ไหนล่อลวงแค่ไหนตราบใดที่เรายังมีทางนำจากอัลลอฮ์ทางนำจากอัลลอฮ์เนี่ยบอกทั้งสองทางหมายถึงยังไงเวลาที่ชัยตอนขู่ทางนของลตารก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นแค่คำขู่ เวลาที่ชัยตอนมาล่อลวงยั uan, ่วยวนทางนำของละตลก็จะเป็นตัวที่มาบอกว่านี่คือการยั่วยวนของชัยตอนมันปลอดภยัยคนที่อยู่กับทางนำพุดขอลัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าล ى ลายดิลลวะลายชกาคนที่มีทางนำจากอัลกุรอานอุลแกริมเขาจะไม่หลงทางและจะไม่อับจนเพราะฉะนั้นรักษาให้ดี ที่เราต้องขออยู่ทุกวันในละหมาดอิฮดินรรอสซรอตัลมุสตากีนแปลกใจไหมว่าทำไมต้องขอทุกวันเรายังไม่ได้เป็นมุสลิมหรือทําไมต้องขอฮิดายัดด้วยบางคนก็ถามว่ามุสลิมต้องขอฮิดายัดด้วยหรือฮิดายัดเนี่ยไม่ใช่จำเพาะเจาะจงคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรอกหรือไม่ครับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยก็ยังจําเป็นต่อฮิดายัดขอตรงนี้อิฮดินรรอสซรอตัลมุสตากีนเนี่ยไม่ไม่ได้ขอให้เรา จากที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมันเป็นมุสลิมไม่ใช่แต่ขอให้อิสลามของเราที่เราได้รับจากละาลานี้อยู่กับเราตลอดไปอย่าให้เราต้องเจออุปสรรคกับความหลงทางไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเราไม่เอาพอเมื่อไหรก็ตามที่เราหลงทางแล้วเนี่ยมีแต่ a ล l a h เท่านั้นที่ดึงเรากลับไปได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาฮิญาตที่มีอยู่ตอนนี้อย่าให้เกิดอุปสรรคแล้วเราตกหลุมพราง ตกหลุมพรางไปแล้วก็จะหลงไปอย่างไกลโพ้นวะเลียตูเบลล่าฮเมนตาเลเพราะฉะนั้นวะมันยืดิลลาห์ฟะมาเลห์มินห์ห์ังคำเห็นไหมฮัมบุนวะมันยุดลิลล่า์ฟะมาเลหูมินห์หใครที่ทําให้หลงทางละตั๋ลาก็ไม่มีใครที่สามารถให้เหตุได้นี่คือพวกไหนพวกมุชริกนทั้งหลายพวกที่มีชีวิตอยู่กับชิริกทั้งหลายถ้าอยากจะได้เหตุได้ น่าแปลกมากนะสังเกตไหมไอ้พวกที่ชีริกเนี่ยมันไปหาหมดเลยมันไม่หาอยู่อย่างเดียวที่มันไม่หาคือใครไม่หาลหาลอกถูกท่าหรอเหรอแปลกมากนี่เราต้องบอกนะถ้าสมมติว่าเออเราจะบอกอยังไง <c oughs> ไอ้พวกที่ตระเวนหาชีริกทั้งหลายแหลนะยหาได้หมดเลย <c oughs> ยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่หาคือ ไม่หา a l l a มากแปลกไหมถ้าหา a l l a แล้วจบเลยเลยเดนี้นไม่ยอมหาไม่ยอมหา a l l a บนะ่านละสาร Akbar, il Allah อัลลอฮ์อัลอฮลใลยนะนี่คือคนที่ว่า ม, มันยุ่งเลอละไม่มีคนที่จะให้หได้ยากได้นอกจาก a l l a สำหรับผู้ที่มีเตาีท่มันยดลมมิให้เชื่ออาไว้ตราบใดที่เรายังรักษาเตาอีของเราไม่มีใครมันทำให้เราหลงทางได้อย่างแน่นอนอลีลลฮบอซิินซินตามอัลล์ ز ز น, น, ลลนั้นไม่ใช่ผู้ที่ส่งเกรี้ยงไกลที่สุดดอกหรืออาซหมายถึงเกรี้ยงไกลที่สุดอำนาจของพระองค์สูงที่สุดไม่มีใครทำให้พระองค์เ ท, ท, ที่ยงตามได้ ไม่เหมือนกับพวกสิ่งที่พวกเขาชีริบบางทีสู้รบกันเองนะระหว่างนัมเบอร์วันนัมบทูที่มีชีริบทั้งหลายบางทีสู้กันเองตบกระเพือกันเอง อ, องค์นี้สร้างโลกองค์นี้สร้างแม่นม้ําองค์นี้สร้างนู่นนี้นั่นแล้วมาสู้รบกรบมือกันเองสุดว่าอัลลอฮ์จินตนาการของมนุษย์มันพาไปตรงนั้นในขนณะที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะละคือรบุญอาลามิน ทั้งหมดอยู่ในมือของพระองค์ตอบรับท uh ุกอย่างอยู่ในอำนาจของ Allah Taala عزیز หมายถึงผู้ทรงอำนาจที่สุดทั้งหมดนอกเหนือจาก Allah คือมรคลูกไม่มีผู้มีส่วนได้เสียกับพระองค์ในน้องความเป็นพระเจ้าไม่มีไม่มีส่วนแบ่งของการเป็นพระเจ้าจาก Allah سبحانه และ تعالى พระเจ้าก็คือ Allah เพียงพระองค์เดียวอาซีส ลิ้นติกรรมลิ้นติกรรมผู้ตอบโต้อย่างเด็ดขาดหมายถึงว่าใครที่ชีริกต่อพระองค์แต่ลิ้นติกรรมมิมั่นอัศะหมายถึงพระองค์บอกแล้วอย่าชีริกนะแล้วถ้ายังจะชีริกอยู่เป็นยังไงอย่าทําบาบนะอย่าทรยุทธฉันนะการชีริกก็คือการทรยศทต่อล l l a h อย่าทรยุทธฉันด้วยการชีริกโอเคแล้วเราก็ทรยุทธ มนุษย์ก็ทรยศอัลลอฮ์อัลลอลาก็จะเอากลับเอากลับยังไงลงโทษพวกเขาในวันอาครยะละน่าเอาจะเป็นลามยมินดะหรือบางทีไม่ทันถึงอาคียะะในดุนเนียนนี่แหละให้เห็นการลงโทษของพระองค์แล้วอัลลอฮ์หัวอกัสองอายันี้ยิ่งใหญ่มากนะครับสังเกตดูผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นสุรห์อัซูมาร์มาโอ้ไม่อยากจะพลาดสักอายหนึ่งเลย มันมีน้ำหนักมันมีพลังมากในการที่จะให้หัวใจของผู้ศรัท ธ, ธาเนี่ยกลมดิกในการเตา h ี a ให้กับอลัลลอฮฺแต่ละนะถ้าเราเปรียบเทียบ ก, การเตา h ี a ในหัวใจของเราเนี่ยเหมือนกับลูกบอลกลมๆเนี่ยเตาฮี a ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือที่กลมที่สุดไม่มีรอยบินไม่มีรอยแตกเพราะเมื่อไรก็รตามที่มันมีรอยบินรอยแตกเนี่ยมันจะมันไม่ลื่นอ่ะมันไม่ลื่น มันไปสักพักนะครับมันสะดุดมันสะดุดตรนั้นสะดุกมันมีเหลี่ยมมันมีนู่นนี่นั่นฮะอันนี้คือเตาไอที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเป็นเตาไอที่สมบูรณ์โหมันไปฉลุยมีอุปสรรคแค่ไหนมีกวักนาอะไรยังไงมันไปได้หมดแต่ที่มันสะดุดเพราะอะไรชีวิตของเราสะดุดเพราะอะไรเตาไอของเรามีมีรอยมีนู่นมีนี่แล้วต้องระวังต้องระวังตรงนี้แต่ละอายัดในสุรทศ z o o m เน n y a ต้องการที่จะเรียรู้ไง หัวใจของเราให้เตาว e a หัวใจของเรานี่มันกลมจริงๆอย่าให้มันมีรอยบินรอยรอยข่วนนะครับอัลลอฮฺอาบุอมาดูอายะ ต, ต่อไปอายะ ต, ต่อไปเนี่ยก็ยังอยู่ในประเด็นนี้ประเด็นเรื่องการตอบโต้ด้วยวาจากับพวกมุสลินที่ไม่ยอมให้เตาว e a ต่ออัลลอฮฺซุบฮานาะตะอัลาไม่ยอมให้อิบาดาัต่ออัลลอ์เนี่ยมาดูซิว่ <c oughs> าพระองค์จะใช้วิธีไหนในการพูดคุย ولא إن سألتهم من خلق السماوات والأرض <projeto> لا يقولن وا الله تَجَاؤُوا أَوْ م ُ ح ้ م ََّ้ تَعْمُكَ و َ أ َ ك ْ ر َถาม كَائِبٌ ب ِ ا ل ْ ح ُ ص َล ن วَ่ ا ل ْ ح َ ن ِ ي ن ِ تَعْمُكَ و َ أ َ ك ْนَ ا นี่คือใคร ลายอูรุนนัลพวกเขาก็จะกล่าวว่าผู้สร้างแผ่นดินและท้องฟ้าก็คืออัลลอฮ์อันนี้เราเรียกว่าต้าหิอะไรครับต้าหินรูบบิยะรูบบิยะการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทุกอย่างบรรดาอุลามะบอกว่าต้าหินรูบบิยะการยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใน จิตสำนึกลึกๆของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วเราทุกคนเกิดมาความรู้สึกว่ามีอำ น, นาจที่สูงสุดในจักรวาลนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพวกมุสลิกีในสมัยของท่านนาบีสุลตล า, ล า, านลเองก็ยอมรับเรื่องนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมในยุค ข, ของเราเองเวลาที่ถ้าสมมติเราคุยกับเขาเป็นนะสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ย สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยสุดท้ายมันจะต้องพาไปคิดว่าโลกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีมีผู้สร้างเพราะฉะนั้นอรูบีบยะเนี่ยมันอยู่ในฟิตรห์โดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วปัญหาอยู่ที่รูป บ, บียะหรือว่าอยู่อีกที่หนึ่งปัญหาไม่ได้อยู่ที่รูป บ, บียะปัญหาอยู่ที่เมื่อยอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วทําไมถึงยังไปขอจาก สิ่งอื่นไปขอจากผู้อื่นทำไมไม่มอบการอิบาดะการขอการขอความคุ้มครองต่างๆต่ออัลลอ์เพียงพระองค์เดียวในภาษาของนักวิชาการเขาเรียกว่าอัลอ t i d ิ a l ั i บ l r u b u b i y y a h al a l u l ล i y a h ul aul ul aul aul aul aul aul aul aul aul aul aul aul า u l aul aul a อันรูปูปิย์ก่อนอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างใช่ไหมอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินพวกเจ้าก็ยอมรับแล้วทำไมเวลาที่พวกเจ้าขอไปขอดุอาศอัฟรอัยจุมมาจะลอูนามิดูนิลาเวลาไปขอทำไมไปขออุทิจากอัลลอหฺเข้าใจไหมครับดุอาการขอเนี่ยเป็นเตหีดอุลูฮิยะเข้าใจยังเยียสัดสนระหว่างสองย่าง น, นี้ ตัฮิดรูบูบียะหมายถึงอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสิ่งอื่นไม่ได้เป็นผู้สร้างเมื่อยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแล้วทําไมถึงไปขอดุทิศต่อสิ่งอื่นที่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอดุทิศต่อผู้สร้างในความเป็นจริงตักกะที่ถูกต้องก็คือในเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์อย่างเราบาวอเราเราต้องขอดุทิศจากใครต้องดปขออุาิศจากผู้สร้างสิ แล้วเหตุใดพวกเจ้าโอ้ไม่ชริกินพวกเจ้าก็ยอมรับว่ากษัตริย์เป็นผู้สร้างแต่พอถึงเวลาพวกเจ้าไปขอกับไม่ขอกับสิ่งอื่นไม่ได้ขอจากผู้สร้างนี่แหละที่เรียกว่าชีริกไม่ได้ชีริกในเรื่องของการเป็นพระเจ้าของรัช ล, ลาลในแง่ของการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินไม่ใช่ชีริกตรงนี้ก็คือชีริกตรงที่ว่าเวลาอิบาดาัดะ เวลาจะมอบอิบาดาห์ต่างๆกลับไปมอบให้กับสิ่งอื่นไม่ได้มอบให้กับอัลลอฮ์นี่แหละที่เรียกว่าชิริกบัลอาอูบิลละฮ์มินดาร์ดเพราะฉะนั้นอายัดนี้กาลังคลี่ปมที่มันอยู่ในหัวใจหวัอวอกหัวสมองของพวกผู้ช่วยกินทั้งหลายผู้ช่วกินพวกเจ้ายอมรับอยู่แล้วว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจา้าแล้วเหตุได้จึงไปพึ่งคนอื่นทําไมไม่พึ่งอัลลอฮ์เนี่ยคำ คำถามมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะสิ่งต่างๆที่พวกเจ้าไปพึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีอำนาจในการที่จะให้เหมือนที่เอาล็อมีอำนาจเพราะระบบียะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีระบูบิยะเพียงพระองค์เดียวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงอำนาจเพียงพระองค์เดียวแล้วจะไปขอจากสิ่งอื่นทําไมสิ่งอื่นไม่ได้มีสิทธิในการที่จะให้สิ่งอื่นไม่ได้สร้างทลองฟ้าสิ่งอื่นไม่ได้สร้างแผ่นดินแล้วมันจะให้ได้ยังไง เข้าใจไหมครับ น, นี่คืออายัด น, นีน้ใช้รรบบิยะอ้างถึงโุบบิยะในการที่จะลากมนุษย์นะครับในการที่จะเชิญชวนมนุษย์ให้สติปัญญาของเขากลับไปสู่การตา่อพิธีอัลอลอฮิยะไหนลองบอกมาซิว่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขอ นอกจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าสมมุติแต่ไหมเราเรียกว่าเราเรากลับเรียกว่าอะไรนะกลับด้านพวกมุช่วกีนบอกว่าระวังให้ดีนะโมฮัมหมัดถ้าเจ้าไม่เชื่อรูปปั้นของเราระวังให้ดีนะเดี๋ยว ป, ปั้นของเราจะขอให้เกิดโูมีนั่นกับตัวเองเติดไอต่างๆนานากับตัวเองแทที่จะให้เขาพูดเราเน่ยเป็นคนพูดกลับไป พูดกลับไปยังไงอินอลลดานิลลอฮูเบดุแล้วถ้า Allah จะให้เกิดเพศภัยกับพวกเจ้าบ้างล่ะเมื่อกี้พวกเจ้าบอกว่าถ้ารูก ป, ปั้นของเราจะให้เกิดเพศภยัยระวังให้ดีนะมุฮัมมัดตอบกลับไปแล้วถ้า a ล่ะถ้า a l l จะให้เกิดเพศภัยกับพวกเจ้าบ้างล่ะเอาพวกผูก้เาทั้งหลายสิ่งที่พวกเจ้าเคารพเนี่ยจะมาช่วยได้ไหมถามกลับไปอินอัลลดานิลลอฮูดุริน เฮลุ ه ه ر ر นนะแกชิตาทุดรีทัลลัตเราจะให้เกิดความแห้งแล้งทัลลัตเราจะให้เกิดพายุทัลลัตเราจะให้เกิดโน่นนี่นั่นอะไรมั่งที่พวกเจ้าเขารับบูชาอยู่ตอนนี้จะมาช่วยไม่ให้เกิดเพศภัยนั้นมีไหมก็ไม่มีเหรอ Al Al Allah Taala menjadikan hal-hal ini menjadi rahmat. Renta Allah Taala jahan, kebersin diri, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, keceriaan, Allah Taala jahan, Islam, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah Taala jahan, kekuatan, Allah t a เราพูดกลับไปเลยนะเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่พวกเขาถ้าสิ่งที่พวกเขาเชื่อเราไปนู่นนี่นั่นอ่าระวังให้ดีจะเกิดเพศไักับเราเราก็บอกไปเลยแล้วถ้าอัสสัลาลาจะให้เกิดเพศภัยกับตัวเองบ้างหรือใครจะช่วยหรือท้าอัสสัลาลาจะให้สิ่งต่างๆกับเรามีใครจะขวางไม่มีมันเป็นตรร ก, กะที่บางทีคนที่มีชีริกเนี่ยควรจะต้องพิจารณามากกว่า เพราะอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงไม่มีใครที่สามารถจะมาสู้พร้องค์บอกแล้วว่าเป็นอัจซิสเป็นผู้ที่ไม่มีใครสามารถทําให้อัลลอฮ์นั้นเคพียงพล้าได้ละอิละฮ์อิละลลอฮเพราะฉะนั้นนี่คือความมั่นใจของคนที่มีอัคีตัดตัวฮิดยังไม่พอนะครับอุล ح س ลจุมว拉มุฮัมมัดวะพัสบลเคยได้ยินไหมคบนี้ที่เราเคยได้ยินคาว่าอะไรพัะบนัลลอฮ์บนัลลอฮ์นี่เราเคยได้ยินพัสบีาลฟมาใหเดียวกันบนัลลอฮ์ ل و เคยได้ยินไหมเคยพูดไหมดูอานี้ حسبون الله ونعمل وكيل حسبي الله ونعمل وكيل فقده ถามมาเดียวกันพสบิย الله وعلي عليه ي و ك ل المتوكيل เราจะพูดแบบนี an, ้ก็ได้ตามอายะห์ใัมภีร์นี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นการประกาศว่าในเมื่อมันชัดเจนและวัดทูพี เตวีดกับชิริกมันต่างกันขนาดไหนสาหรับผู้ศรัทธาเขาก็จะประกาศออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคาอย่างมั่นใจว่าฮบิอัลลอฮ์นะมัลวะฮบิอัลลอฮ์อะะักลลมตวกลลล์ c a แล้วกับฉัน c แล้วเาก็จะดูแลฉันฉันไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นอีกแล้ว เราจะมาคมขู่ยังไงไม่มีประโยชน์ในเมื่อเรามีอัลล์อัลล์จะจะดูแลเราเอง حسب ุนัลลอฮ์วะเนาะวะกลเป็นคําพูดของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลมเล่เป็นคําพูดของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามพราแล้วเาะครับคําพูดนี้ حسب ุนอัลลอฮ์วะนัลวกีอันนี้จาง่ายกว่าเราเคยได้ยินบ่อยกว่า حسب ุนลลอฮฺวะนะมัลวะคีนให้เราพูดตอนไหนพูดในทุกเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีเรามีความรู้สึกกลัวกลัวอะไรกลัวมคลูกลัวนู่นกลัวนี่กลัวกลัวความยากจนกลัวภัยธรรมชาติกลัวอะไรต่างๆที่มันประเดิษประดังขึ้นมาในชีวิตเราเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆเนี่ย حسب ุนละลอฮฺวะนะมัลวะคีน นบีอิบราฮิมพูดตอนไหนฮะบุญละหลนนหอนเนีว่าล็กี่จำได้หนบีอิบราฮิมพูดตอนที่ว่านารูปหรือพวกของท่านเนี่ยจุดไฟแล้วก็จะเอาอิบราฮิมโยนลงไปในกองไฟมลัยกัดมาถามหลัดอลาสโซงมลัยกัดมาถามนบีอิบราฮิมว่าจะให้มลัยกัช่วยอะไรบ้างอิบราฮิมเอาไหม ว่าถ้าเป็นบาเหลือจอกากมาเลกันฉันไม่เอา <laughs> เพราะมาเลกันกับฉันก็เป็นมรคลุ่เหมือนกันตุา <laughs> อัลลอฮ์มาเลกันเนี่ยเดีย <laughs> อลอฮ์ถ้าเราเป็นไงอลอจักมาลกเนี่ยมีความในเรื่องของพละงกำลังแน่นอนว่าเยอะกว่ามนุษย์อยู่แล้วแต่ครบว่าเจ้ากับฉันเป็นมรคลุ่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากใครจะ <laughs> <laughs> อัลลอห์พรบฮสบุนอัลลอฮ์และมัลวะอล ความช่วยเหลือของอัลลอฮ์จากก่อชั้นเนี่ยพอแล้วแค่นี้พอแล้วท่านนาบีสุลต่านก็อ่านโดรานี้เช่นเดียวกันตอนที่เกิดสงครามจะไม่ผิวเป็นสงครามอะไรจะไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นหมายถึงอาจจะหมายถึงสงครามอะไรสักสงครามหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีมีอายัดที่พูดถึงสุราห์นี้ที่อายัดที่พูดถึงอ ะ, อะไรนะมีสุราห์ที่พูดถึงอายัดนี้สอัลลอฮ์บอกนะมันว่ า, า, าวกี่เพราะฉะนั้นนะเช่นเดียวกัน เวลาที่เราเกิดความกลัวใจของเราไม่นิ่งไม่แน่นอนไม่มั่นใจในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เราเรียกมันกลับมาได้เรียกความมั่นใจของเรากลับมาได้ด้วยการกล่าวว่า حسب ุนัลลอฮ์ ونعم ا ل و ك ي ل ح ีาลอัลิย توكل المتوكلونحسب ียาลอลเลฮิเย توكل ا ل م ت و ك ل ยาลอัลเล ه ونعم الوكيلحسب ียาลอัลเล ه ونعم ا ل จริงๆแล้วทุกเช้าเย็นมันก็มีอยู่แล้วในอกาศนะฮัสบิัลลอฮอัลเลีลาอิลลลอฮอลิวักกลตุวะฮวะรบบุลอารชิลอนจ็ดครั้งตอนเช้าเจ็ดครั้งตอนเย็นมันมีอยู่ในดอเช้าเย็นนะครับที่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วขีดเส้นใต้เลยนะครับประโยคนี้ฮัสบิ ل yes ัลลอฮฮัสบุนัลลอฮ เวลาที่เรามีปัญหาเราพึ่ง Allah สิเราพึ่ง Allah ส, พ Allah สิพระองค์จะเป็นกาเซนอัลดะจะเป็นผู้ช่วยเหลือบบาวของเรา <c oughs> ในเมื่อพูดอย่างนี้ไปแล้วหลังจากนี้เจ้าจะทำอะไรกับฉันบ้าง قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل جم クラอัลมุฮัมมัดอยา قوم โอ้พรกพวกของฉันแกมลู على مكانتكم เจ้าจะทำอะไรทำไปเลยจะขู่ฉันขู่มาเลยจะทำร้ายฉันก็ทำตามใจพวกเจ้าอินนีแอเมลฉันก็จะทำของฉันไม่หยุดเข้าใจไหมครับเป็นการขู่ท่านบก็ขู่กลับไปด้วยพวกมุชริกินพวกเจ้าเนี่ยจะไม่หยุดในการต่อต้านฉันจะไม่หยุดในการก่อความเดือดร้อนกับฉันจะไม่หยุดทำร้ายฉันการที่พวกเจ้าทำกับฉันอย่างนี้ ถามว่าฉันจะหยุดด้วยไหมฉันก็ไม่หยุดฉันจะทำหน้าที่ของฉันต่อไปหน้าที่ของท่านนาบีคืออะไรเรียกร้องด่าวะเชิญชวนเห็นไหมถ้าอยากจะต่อต้า น, านอยากจะทำนู่นทา น, นี่เอาเลยไม่มีปัญหาแต่ฉันก็จะไม่อยูไม่หยุดหน้าที่ของฉันเหมือนกันอินนี้อเมนหรือดับศีลบางส่วนก็อธิบายว่าถ้าพวกเจ้าจะชิริ ก, ก็แล้วแต่ อยากจะชิริกก็แล้วแต่พวกเจ้าไปอยากจะใสแหวนหาสิ่งที่เป็นการตั้งปักคีเอาไปสิเราจะยืนหยัดอยู่บนเตาที่แต่ว่าระวังให้ดีเจ้าเลือกแล้วที่จะชิริกงั้นก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วยฟาซวฟาตัลโมลแล้วสักวันหนึ่งพวกเจ้าจะได้รู้รู้ว่าอะไร มันจะตีหอาาบุญยุคซีใครกันแน่ที่จะมีโทษมีการลงโทษมายังพวกเขาวันนี้ยังตัดสินไม่ได้วันไหนที่จะตัดสินหลังจากนี้ในดุนยาอาจจะมีนะครับในสมัยของท่านนาบีซัลลัลลอฮอะลัยฮิสซาลลัมเนี่ย เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านกำลอยู่ที่มักกะสุรุตุซูมะนะครับทีนี้พออพยพไปที่มาดีนะ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิ ด, ดสงครามบัลดาพวกมุชริกินพวกนี้เป็นยังไงบ้างได้รับความพ่ายแพ้การที่เกิดความพ่ายแพ้ของพวกมุชลิกินในโลกโดนุนียะก็ถือว่าเป็นอาณาบุญยุกซีการลงโทษที่ทําให้เกิดความต่ําต้อยแก่บรรดาคนที่ตั้งทัศนี ถ้าสมุิในดุนยาไม่มีแน่นอนวาะิลุอาฮอาบมุคีมและใครกันแน่ที่จะโดนลงโทษตลอดกาลในวันอาคเคระห์ดุนยารอว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่เกิดในดุนยาอาคเระห์มาแน่นอนนี่คือความยากีนของคนที่มีตาวฮีต่ออัลลอฮ์สุฮานอา คนที่มีอ qidah ที่ถูกต้องในการสักกาต่อพระเจ้า سبحانه และ تعالى ไม่มีอันไหนที่เสียเปรียบในดุนยาถ้าช น, นะอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมตินในดุนยาแพ้แพ้ก็ไม่เป็นไนรเพราะว่าอัลเราะห์ชนะแน่นอะน แพ้ในดอนยนีเนี่ยถ้าเป็นการต่อสู้ในหนทางของลอสอัลาเราเรียกันว่าชาดะถ้าสมมติเสียชีวิตในหนทางของลอสุบานอัลอฮ์อลเราเรียกว่วาชาดะถ้าสมมติเสียชีวิตในหนทางของ T, ลอัลลาฮ์เปารี ย, ง, ยงอยู่าลาดะถ้าสมมติเสียัางไงนะใหุบานัวใจของลเราเีว่าชาดามมั่เนคางไงเรีคนว่าามมั่นวใจอน่างอนอัลลอฮ์อัลลอฮไม่สะทกสะถ้านอย่างนี้ ل ละอิลลนก็ต้องกลับไปที่อายัดแรกที่เราอ่านคืนนี้อเลีัลลัฮูบิคาฟิน عبد ะรัสละจะดูแลเราเองถ้าเรามอบอบูดี้ของเราให้กับเราเหมือนกับฮะดีซของท่านอิบน์อับบาสที่ท่านเบบากซานอิบน์อับบาสว่ายาดูละอิ حفظ الله ن ي وعلّمك كلمات الاحفظ ا ل ل يحفظك دولا ا ل ه <ت ص في ق> แล้วอัลลอฮ์จะอะไรจะดูแลเดูแลอัลละฮ์ดูแลยังไงดูแลด้วยการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และทิ้งสิ่งที่พระองค์ห้ามรักษาความสัมำนึ์ของเรากับอัลลอลาให้ดีแล้วที่เหลืออย่างอื่นพระองค์รับไปดูแลจากเราหัวใจของเราจะอยู่ในการดูแลของอัลละฮ์ชีวิตของเราจะอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ด้วยเต้าหีบที่เรามอบให้กับพระองค์นั่นเองอัลลอฮ์มัจเจลันมิ่อิบัลิก الذين يحفظون حدودك وتحفظونهم وتحفظهم بحفظك يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام الله تعالى عالم وفقنا الله إياكم لما يحب ويضع صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما ي س ك و ن سلام على المرسلين